มีอะไรอยากจะถามไหมอ๋ออ่าสามครั้ครับวันนี้พรอาจารย์บุญมีไปที่อุบกกลเนี่ยอาจารย์บุนมีที่วัดทั้งเต่าเลยใช่อืมไปวัดเด็กพอดีพอดีเพื่อนที่หมดไปอืมท่านไปพักที่ไหนรู้ไหมแม่จันวัดหลังซานนะครับอ่า ว่าอะไรเจริญสมรรกิจนี่ว่าใช่ไหมเป็นวัดป่านะนะปนไปวันนี้วัดเทศของปู่เทศเคยไปอยู่เขาดู้ต่บังสร้างเจดีอยู่สรา้างเจดีเพื่อจะได้บรรจุอัฐิของอัฐิพระธาตุ ถ้าไม่มีพระธาตุสร้างเจดีย์ไปก็ไม่มีประโยชนย์ได้เนต้องสร้างพระพระธาตุขึ้นมาก่อนวิธีสร้างพระธาตุก็ทำใจให้เป็นบริสุทธิ์ปราศจากความโลภโกรธหลงเป็นใจพิผ่านใจของพระอราหันต์ถ้าใจเป็นพระอราหันต์แล้ว ร่างกายกระดูกก็จะกลายเป็นพระาธาตุเมื่อมีพระาธาตุแล้วก็ต้องสร้างเจดีย์ไว้บรรจุเพราะนี่เป็นธรรมเนียมการสร้างเจดีย์นี้กามีจุดประสงค์ไว้อยู่สี่ประการสร้างเพื่อบรรจุอัฐิของพระมหากษัตริย์ พระธาตุของพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกับพะพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์อันนี้เป็นประเพณีเดิมในสมัยพุทธกาลแต่สมัยนี้ก็สร้างเจดียด์กันบรรจุกันไม่ว่าจะเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่อาหารหันต์ก็ก็บรรจุกันบางคนก็สร้างเจดีย์เล็กๆไว้ในวัดเวลาพ่อแม่ตายก็ เอาก็ดูพ่อแม่ไปเก็บไว้กันแต่ความจริงแล้วเจดีร์วดสถูว์นี้เขาสร้างเพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระปฏิกขาพุทธเจ้าพระธาตุของพระานะเพื่อจะได้เป็นสังเวชนียสถานเป็นที่ให้ผู้ ไม่รู้จากพระธาตุไม่รู้จากพระหานไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้รู้จักกันพอเวลาเราไปเห็นเจดีย์เห็นสถสุขเราก็จะต้องถามว่าเป็นอะไรถามถ้ามีคนรู้เขาก็จะบอกว่าเป็นที่เก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้าของพระหรลานตัสาวก พระธาต น, นี้เป็นยังไรถึงเป็นพระธาตุก็เป็นกระดูกที่กลายเป็นธาตุกระดูกนี้มันถ้าไม่เป็นธาตุมันก็จะผุมันก็จะพังกลายเป็นดินไปแต่ถ้าเป็นธาตุนี้มันก็จะเป็นเหมือนหินเหมือนก้อนหินกระดูกของพระพุทธเจ้ากระดูกของพระาอารหันต์เนี่ย บางส่วนจะกลายเป็นพระธาตุกลายเป็นธาตุคือจะไม่ผุพังไปคนเห็นจะได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระอาหารหันต์เป็นใครทำไมถึงกระดูกถึงกลายเป็นธาตุไปทำไมกระดูกของคนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า จึงไม่จึงไม่เป็นธาตุเพราใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์กับใจของคนธรรมดาสามัญปุถุชนไม่เหมือนกันใจของพระพุทธเจ้านี้ได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภโกรธดลงปราศจากตัณหาความอยาก ต่า ง, า ง, างสนใจของโธชนอย่างพวกเรานี่ยังมีกิเลสปัญหากันอยู่ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีตัณหาความอยากอยากได้าดลามยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโภชภัคใจของผู้ที่บริสุทธิ์แล้วนี่จะไม่ กลับมาเกิดอีกต่อไปจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดใจของพวกที่ยังไม่บริสุทธิ์อย่างของพวกเรานี้ถ้ายังไม่ได้ชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากที่จะเสพลูกเสียงกงลิ่นรสโผฏฐภะเสเพราบยศสรรเสริญ ก็ต้องมีร่างกายก็ต้องก็ต้องมาหาร่างกายอันใหม่พอพ่อแ ม, อม่พอพ่อแม่แต่งงานกันร่วมหลับนอนกันก็สร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาใจที่ต้องการร่างกายก็มาสวมเหมือนสวมรองเท้านี่พอมีรองเท้า เ, เท้ า, ทาก็สวมก็ไป ใจก็มาสวมเข้าไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายทําตามความโลภความอยากร่างกายของคนเราทุกคนพอเกิดมาแล้วนี้ไม่ต้องสอนให้โลภจ้ะนะไม่ต้องสอนให้อยากมีแต่ต้องคอยห้ามอเอาว่า ผู้ที่โลบผู้ที่อยากก็คือใจที่มาสวมร่างกายเหมือนสวมรองเทา้ารองเทา้าถ้าไม่มีเท้าสวมก็ไปรองเท้ามันก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้แต่พอมีเท้ามาสวมนี่มันก็ไปกับเท้าได้เท้าบอกให้ไปทางไหนมันก็ไปเดินไปข้างหน้าไปข้างหลังไปทางซ้ายไปทางขวาเท้ามันตามทำตามคำสั่ง รองเท้าทําตามคําสั่งเท้าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรองเท้าใจก็เป็นเหมือนเท้าที่มาสั่งให้ร่างกายไปทําตามความอยากของร่างกายของใจใจอยากดูก็พาไปดูอยากฟังก็พาไปฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นไอมสถานที่ต่างๆนี้มีไว้ร่อตาล่อใจล่า ตาหูจมูกลิ้นกายร้นานอาหารศูนย์การค้าเนี่ยมีแต่ของลอตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีความอยากก็จะไปสามแหล่งเหล่านี้ศูนย์การค้าศูนย์บรรเทิงศูนย์มหศัศี่ยโรงภาพยนตร์อยนี้มีเป็นสิบสิ บ, สบโรง ร้านอาหารนี้มีเป็นสิบสิบร้านร้านขายของต่างๆของที่จำเป็นและไม่จำเป็นเต็มไปหมดตอบสนองอะไรตอบสนองตัณหาความอยากความอยากนี่แหละทำให้มาเกิดแล้วพอร่างกายแก่เจ็บตายก็ทุกข์กัน แล้วพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็แวะไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็ไปรับผลบาปผลบุญก่อนพอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันก็มาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ไหม นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของจิตที่ยังไม่ได้รับการชำระจิตใจที่ยังมีความโลภความอยากอยู่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดตายไปแล้วก็ไปเกิดในอบายบ้างไปเกิดในสวรรค์บ้างแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำตามความอยากใหม่มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมาทุกข์กับการสูญเสีย การพัดพาจากของที่เราลักจากคนที่เรารักทำอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆนับไม่ถ้วนแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้ายังไม่ได้ชำระใจให้สะอาดถ้ายังไม่ได้กําจัดความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป ู้ที่สามารถชำระใจให้หมดสิน้นกิเลสตัณหาความโลภความอยากให้หมดสิ้นไปได้ก็กลายเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าชำระใจด้วยตนเองไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเป็นคนฉลาดมากที่เห็นว่าความโลภความอยากไม่เป็นตัวสร้างความทุกข์ ตัวสร้างภพสร้างชาติตัวสร้างความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ต้องกาจัดกิเลสตัณหาคือความโรคความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะได้ไม่มาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย เป็นคนที่ชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่มีใครสั่งสอนเพราะไม่มีใครรู้ว่าใจที่สะอาดบริสุทธิ์กับใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้ต่างกันอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรไม่รู้ว่าใจที่ไม่สะอาดนี้มีโทษเพราะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต้องไปแก่ไปเจ็บไปตาย ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้านี้เห็นคนแก่แล้วก็กลัวเห็นคนเจ็บก็กลัวเห็นคนตายก็กลัวกลัวคกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็เลยอยากจะหาวิธีที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย ก็ไปเห็นนักบวชได้ข่าวได้ทราบข่าวว่านักบวชนี่เป็นผู้ที่ไปหาวิธี er, ไม่แก่ไม่เจ er ็บไม่ตายพระองคก็เลยตัดสินใจสละราชสมบัติออกบวชอยู่แบบนักบวชเพื่อหาวิธีที่จะไม่ต้องแ ก, ไงแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่มีใครรู้ก็เลยต้องค้นคว้าด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองใ น, นที่สุดก็ไปเห็นว่าตัวที่ทําให้ใจกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสตัณหาเนี่เอง คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยากรูปเสียงกลิ่นรสอยากลาบยศสรรเสริญอยากได้เงินมากๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนยอกย่องสรรเสริญเยินยออยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสนมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งที่นุ่มทางร่างกาย ได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มแล้วมีความสุขนะนอนเตียงนุ่มๆนี่เบาะนุ่มๆมี ม, มอนกอด น, นุ่มๆอ่งนีม้มีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยเพราะพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่อยู่ในใจมันไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายความอยาก ยังอยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเยอะก็เลยดึงใจให้มามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทงค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองจนเห็นชัดเจนว่าตัวที่จะต้องกาจัดก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ และสิ่งที่จะสามารถกาจัดมันได้ก็คือเป็นนักบวชถือศีลไม่ทำบาปแล้วก็นั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการมีความอยากการทำตามความอยากทำตามความโลภนี้นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายต่อไปพอมีศีลสมาธิมีปัญญา เวลาเกิดความอยากก็หยุดมันได้ไม่ทำตามความอยากอยากไปเที่ยวไม่ไปอยากไปดูหนังไม่ไปอยากไปฟังเพลงไม่ไปอยากไปงานเลี้ยงไม่ไปไม่เอาทั้งนั้นความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ต้องการพอไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็หมดแรงไป เหมือนคนที่ไม่ทำตามความอยากสู่บุหรีพออยากจะสู่บุหรีก็ไม่สู่พอไม่สู่ไปต่อไปความอยากก็หายไปเลิกบุหรีได้เลิกเพราะไม่ทำตามความอยากเลิกการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็คือเลิกด้วยการไม่ทำตามความอยากอยาอยาก อยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลสะพาก็ไม่เสกอยากมีอยากเป็นอยากได้ราบยศสารเสิญก็ไม่เอาอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ไม่ปอดก็ไม่ไม่เอาราบยศสารเสิญจะเสื่อมจะหมดไปก็ไม่ไม่เสียดายไม่เสียใจไม่อยากให้มันไม่เสียมันจะเสียก็ให้มันเสียไป ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนับตั้งแต่วันที่ได้กำจัดความอยากไปหมดจิตก็สะอาดบริสุทธิ์จิตสะอาดบริสุทธิ์ก็เริ่มซักฟอกเริ่มเริ่มฟอกกระดูกในร่างกายค่อยๆฟอกไปทีละนิดเดียหน่อยกระดูกของพระเจ้านี่ได้รับการซักฟอกอยู่ถึงสี่สิบห้าปีนับตั้งแต่วันที่ตัดสร้อ ตอนนั้นก็อายุ35แล้วก็อยู่ถึงอายุ80ก็เจ็ดสาบอยสุดอยู่กับร่างกายอยู่กับกระดูกมา45ปีก็สามารถสักพอกระดูกนี้ให้บริสุดให้เป็นธาตุขึ้นมาให้เป็นหินขึ้นมานี่คือ ทำไมกระดูกของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์จึงเป็นพระธาตุได้เพราะใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันต์นี้เป็นใจที่สะอาบดบริสุทธิ์เป็นใจที่ปราศจ า, คากความโลภความโกรธความหลงความอยากตา่างๆใจของพวกเรานี้เป็นใจที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากตา่างๆจึงไม่สามารถฟ อ, ซ ก, ฟอกซักฟอกกระดูกให้เป็นธาตุได้ พอตายไปกระดูกก็ก็จะผุจะพังไปจะกลายเป็นดินไปคนที่ทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองก็เรียกว่าพระอรหันต์ตระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพวกที่ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอรหันต์สาวกสาวกก็คือผู้ ศึกษาผู้ฟังต้องฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะสามารถรู้จักวิธีที่จะซักฟ อ, อกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้พวกเราทุกคนนี้เป็นสาวกกันหมดเพราะเราต้องฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่รู้ว่าพระอาหารหันต์นี้แตกต่างจากปุถุชนอย่างไร กระดูกของพออาระาอารหันต์กับกระดูกของปุถชนนี่ต่างกันอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้พอเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาทำเราก็จะรู้นี่ก็คือเจตนาของการสร้างเจดีย์แต่คนสมัยนี้สร้างไปก็ไม่รู้สร้างไปทําไมรู้เขาว่าให้สร้างก็สร้างกันไป สร้างแล้วก็เสร็จแล้วก็จบก็ทิ้งเจดีไว้บางทีก็ไม่มีใครไปดูแลรักษากันมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเป็นเป็ น, ป, นป้ายโฆษณาว่านี่คือที่อยู่ของพระอรหันต์ที่อยู่ของพระพุทธเจ้า เมื่อคนเห็นแล้วจะได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระอาหารหันต์เป็นใครใครเป็นพระพุทธเจ้าได้ใครเป็นพระอรหันต์ได้เป็นไปทำไมเป็นไปเพื่ออะไรนี่ก็คือเจตนาของการสร้างเจดีย์เป็นอนุสรสอนให้คนรุ่นหลังที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร พระอาหารหันเป็นใครเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหันได้อย่างไรเป็นไปทำไมพอเห็นเจดีย์ก็จะได้ศึกษาจะได้ค้นคว้าถ้ามีคนให้คำตอบได้ก็ก็จะสามารถศึกษาได้แต่ต่อไปถ้าไม่มีใครให้คำตอบได้ก็ ก็จะไม่รู้ว่าเจดีนี้มีไว้ทำไมมีเพื่ออะไรเพราะเจดีพูดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของของการสร้างเจดีเป็นเหมือนกับป้ายโฆษณาให้รู้ว่า พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี่เป็นคนที่ต่างจากคนธรรมดาอย่างพวกเราเป็นคนที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราเป็นคนที่ไม่ต้องทุกข์เหมือนกับพวกเราที่เราทุกข์กันเราพอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเกิดเกิดแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้นะ ก่แล้วก็ต้องดินน้นรนเลียงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับการพัดาดจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักทุกกับการที่จะต้องมาประสบกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบหรอพบกับคนที่เราไม่ชอบพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบ การเกิดจึงไม่ดีการเกิดท่านจึงเรียกว่าเป็นทุกข์นะวิธีที่จะหยุดการเกิดก็ต้องไปหยุดที่เหตุของการเกิดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันก็คือตามหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวทา่าพะอยากได้าดลาบยศสารเสริออยากไม่เสี ย, ายลาบยศสารเสรื่อมได้มาแล้วก็อยากจะให้ อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เสียเวลาเสียก็ทุกข์เวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วพอตายไปความอยากที่อยากได้รูกเสียงกลิ่นรสอยากได้ลาบยศสารเสริญก็ไม่หมดก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่ ก็กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมาเกิดมาตายกันอยู่เรื่อยๆตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาแล้วก็มาตายใหม่ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก่อนจะมาเกิดก็ไปใช้บุญใช้บาปก่อนบางทีก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนถ้าทำบาปไว้ก็ไปทำใช้บาปใช้กรรมในอบ ทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุรกายทำบาปด้วยความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท ก, ก็ไปตกนรกถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆ ถ้าไปบวดไปปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิได้ก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมถ้ามีปัญญาตัดกิเลสตัณหาได้ก็ไปเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นพาาาระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือทางเดินของจิตใจของพวกเรา ตอนนี้พวกเราเลือกที่จะเดินกับความอยากกันก<ม>็เลยต้องเดินไปในทางเวียนว่ายตายเกิดกัน<ม>ถ้าเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินทางเดินอีกทางนงทางที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายทางที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือ ทางของศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไปบวชไปรักษาศีลกันไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทัใจให้สงบกันเราก็จะมีกำลังที่จะหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้แล้วถ้าเรามีปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าตัณหาความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการมาเกิดมาตาย ถ้าไม่อยากมาเกิดมาตายก็ต้องหยุดตัณหาความอยากต้องไม่ทำตันตัณหาความอยากพอเรามีสมาธิมีปัญญาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะหยุดมันอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะไปนอนกับแฟนก็ไม่ไปอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ไปหยุดมัน อยู่กับความสงบอยู่กับสมาธิก็พอความสุขที่ได้จากสมาธิดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปนอนกับแฟนการไปเที่ยวการไปดูหนังฟังเพลงถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถเอาชนะความอยากต่างๆได้ เมื่อเราไม่มีความอยากหลงอยู่ภายในใจใจเราก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใจก็เป็นพระอรหันต์ไปถ้าถ้าทาใจให้เป็นพระอรหันต์โดยด้วยตนเองก็เรียกว่าพระอรหันตะสั ม, มาสัมพุทธเจ้าถ้าทําใจให้สะอาด เป็นพระอาหารหันด้วยการฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหารหรันตสาวกแต่ผลก็เหมือนกันคือไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีความทุกข์อยู่ในใจต่อไปมีแต่ความสุขตลอดยีบสี่ชั่วโมงไม่มีวันสิ้นสุดคือความสุขของพระนิพพานใจที่สะอาดบริสุทธ เรียกว่านิพพานถ้ามีร่างกายเราก็เรียกว่าพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพอไม่มีร่างกายไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่านิพพานใจที่สะอาดบริบสุทธิ์คือนิพพานไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกข์อย่างที่พวกเราทุกกันอยู่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็ทุกข์แล้วต้องเข้าห้องน้ำแล้วต้องห้องสุ ข, ขาแล้วพอมีร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ปวดท้องปวดฉี่ขึ้นมาก็ต้องไประบายพอระบายเสร็จก็ทุกข์เพราะเพราะมันหิวแ่้เลยพอเอาออกแล้วทีนี้ก็ทุกข์กับความหิวต้องกินเข้าไปก็ทุกข์กับความอิ่มต้องเอามันออก ทุกทั้งเข้าทุกทั้งออกทุกตลอดเวลาพอกินเข้าไปก็ทุกแล้วเดี๋ยวมันอยากจะเอาออกแล้วพอน้ำอยากจะออกอาหารเก่าอยากจะออกมันก็ทุกแล้วมันปวดท้องขึ้นมานะแล้วพอเอาออกแล้วทีนี้มันท้องมันก็ว่างแล้วสิมันก็หิวขึ้นมาก็ทุกอีกเลย ทุกที่จะต้องหาอ า, หาอาหารเอาเข้าท้องอีกแล้วพอเข้าไปในท้องแล้วก็ต้องทุกกับการเอาอาหารออกจากท้องอีกนะทุกทั้งขึ้นทั้งล่างนะทุกทั้งเข้าทั้งออกทุกตลอดเวลามีร่างกายแล้วทุกตลอดเวลาเดี๋ยวนั่งนานๆก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวยืนนานๆก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวเมื่อยแข่งเมื่อยขาอ มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีเชื้อโรคเข้ามาร่างกายก็ทุกข์อีกแล้วไม่สบายแล้วไข้ขึ้นอีล้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เดี๋ยวอวัยวะเสื่อมเดี๋ยวตายเสือเเส่อมก็ทุกข์เดี๋ยวกระเพาะเสื่อมก็ทุกข์หัวใจเสืออเส่อมก็ทุกข์ปอดเสื่อมก็ทุกข์เดี๋ยวตายก็ทุกข์อีก พอมีร่างกายแล้วมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีความสุขในร่างกายนี้เลยความสุขในร่างกายนี้ไม่มีมีแต่ความทุกข์แต่เราไปคิดว่ามันสุขเพราะว่าเวลามันทุกข์แล้วเราทาให้มันหายได้เราก็เลยคิดว่าเป็นสุขจนเวลามันปวดท้องพอไปถ่ายแล้วมันหายปวดก็กลายเป็นความสุขขึ้นมาเวลามันทุกข์เพราะความหิว เอเอาหารให้มันเข้าไปกินมันก็อิ่มมันก็เป็นความสุขขึ้นมาควานจริงมันไม่ได้เป็นความสุขอะเพราะเดี๋ยวอาหารที่เข้าไปในท้องมันก็ต้องทําให้เราทุกข์อีกอะ่ะเพราะเดี๋ยวก็ยังต้องต้องถ่ายมันออกไาการมีร่างกายจึงเป็นเรื่องของการมีความทุกข์การไม่มีร่างกายจึงเป็นเรื่องของการไม่มีความทุกข์ ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์นี่หลังจากที่ร่างกายของท่านตายไปแล้วท่านก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาทุกข์ลวพอแล้วทุกข์มาพอแล้วตอนนี้อยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องตื่นไม่ต้องนอนไม่ต้องหลับไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องขับไม่ต้องถ่ายไม่ต้องเจ็บไม่ต้อง หาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอ้ยร้อยแปดมีร่างกายแล้วนี่มีแต่เรื่องตลอดเวลาออกมาจากท้องแม่ก็ร้องก่อนเลยสุขหรือทุกข์ถ้ามันสุขต้องหัวเราะสลยทำไมออกมาลอรลองว้าว้าออกมาต้องหายใจเองอะไรอย่้ยอยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องหายใจ อาศัยลมหายใจของแม่อยู่ไปอาศัยน้ำของแม่กินไป อ, อาศัยอาหารของแม่กินไปแต่พอออกมาจากท้องแม่ปั้นนี่ต้องกินเองแล้วฮิวน้ำก็ร้องนะหิวข้าวก็ร้องนะปวดชี่ก็ร้องนะปวดท้องก็ร้องนะทุกทั้งนั้นเนี่ยทุกตั้งแต่เกิดมา ว, ว, วันวินาทีแรกออกมาจากท้องแม่ก็ร้อง ต้องหายใจเองแล้วมาเกิดกันทําไมแล้วอยู่ไปทั้งวันนี้ก็ต้องทุกกับการหากินอีกเดี๋ยวก็ต้องไปหากินอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องกินแล้วเดี๋ยวเที่ยงก็กินอีกแล้วเดี๋ยวเย็นก็กินอีกแล้วถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์เอง ่ชีวิตคือความทุกข์แต่เรากลับมองไม่เห็นเรากลับไปมองว่าสุขอยากจะเกิดกันเวลาใครเกิดนี่โอ้ดีใ จ, จแสดงความยินดีได้ลูกเหรอโอ้ดีใจกันใหญ่ไม่คิดว่ามันเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเด็กทุกคนที่มาเกิดนี่ต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่มองกันมองแต่ว่าก็เกิดมาแล้วต่อไปจะได้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้ทํามาหากินมีอาชีพมีอะไรเยอะแยะไปหมดมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีสักมีสีมีตําแหน่งมีอะไรมีอะไรก็ตายตายไปก็หมด หามาถ้าเป็นแทบตายพอตายไปก็หมดมีใครอะไรไปได้บ้างไหมไม่มีใครอะไรไปได้เอาไปแต่ความอยากยังอยากจะได้ก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านเห็นว่าความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้ต้องกลับมาทุกข์อยู่เรื่อยๆท่านก็เลยหยุดมันทันเอ พอหยูดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดการไม่กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะสูญหายไปไหนใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเราไม่มีวันสูญหายไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดใจมันไม่ได้เป็นตัวเกิดตัวตัวที่เกิดก็คือร่างกายตัวที่ตายก็คือร่างกายใจเพีงแต่มาสวมร่างกายเหมือนกับสวมรองเท้า อค่ น, นั้นเองเท้าที่ไม่ต้องสวมรองเท้าก็สบายไม่ต้องมาคอยขัดรองเท้ามาคอยเช็ดรองเท้ามาคอยต้องมาคอยเปลี่ยนรองเท้าเพอใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็เสียก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าใจที่ไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาเลี้ยงร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายอยู่เฉยๆเพื่อมีความสุขสบายความทุกข์เกิดจากความอยาก พอกำจัดความอยากไปได้ความทุกข์ก็หายไปพอความทุกข์หายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาความสุขความทุกข์ของใจนี่เหมือนกับความมืดกับความสว่างมันเกิดพร้อมขึ้นขึ้นมาพร้อมกันไม่ได้ถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดความทุกข์ใจกับความสุขใจก็อย่างนี้ ไม่ต้องไปหาความสุขใจเพียงแต่ทําทความทุกข์ใจให้มันหายไปความสุขใจมันก็โผล่ขึ้นมาหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปความสุขใจก็พ่อขยขึ้นมาไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขัใจหามาได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสุขปลอมหาเงินทองมาได้มากน้อยเพียงไรก็สุขเดียวเดียวพอตายไปก็หายไปหม อตายไปความสุขก็หายไปกับเงินทองเหลือแต่ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากที่อยากจะได้เงินทองใหม่ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือเรื่องของใจของปุถุชนกับใจของพระอาหารหันต์ไม่ได้ตายเหมือนกันใจพระอรหันต์ตอนนี้ก็ไม่ได้ตายใจของพวกเราก็ไม่ได้ตาย ตางกันตรงที่ใจของพ่อละนี่มีแต่ความสุขเพราะไม่มีความอยากใจของพวกเรานี่มีแต่ความทุกข์ทุกทุกทุกเวลาที่เกิดความอยากเวลาเกิดความอยากนี่สุขหรือทุกข์อยากสูดบุหรีแล้วนี่สุขหรือทุกข์อยากดื่มกาแฟแล้วสุขหรือทุกข์อยากไปเที่ยวแล้วสุขหรือทุกข์ต้องไปเที่ยวก่อนถึงจะสุขใช่ไหมถ้าไม่ได้เที่ยวนี้จะตายให้ได้ ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่นี่จะตายให้ได้ไม่ได้ดื่มสุรานี่จะตายให้ได้เวลาอยากจะดื่มสุราขึ้นมาพอได้ดื่มก็สุขเดียวเดียวสุขเพราะว่าความทุกข์มันหายไปชั่วคราวเพราะความอยากมันหยุดไปชั่วคราวเพราะมันได้สิ่งที่มันอยากได้มันก็จะหยุดเดี๋ยวพอพอสิ่งที่ได้มาหมดไปมันก็อยากขึ้นมาใหม่พอสูบบุหรี่หมดไปปั๊บเดี๋ยวก็อยากจะสูบบุหรี่ใหม่ขึ้นมา พอกาแฟแก้วนี้หมดไปเดี๋ยวก็อยากจะเดินแก้วใหม่ทุกใหม่ก็กลับคืนมานี่แหะคือความทุกข์ที่เราสร้างกันด้วยความอยากใจของพวกเราก็เลยทุกข์กันอยู่ตลอดเวล า, ใ จ, ออจาใจของพระเจ้าใจของพระราหันท่านก็สุขตลอดเวลาใจของเราใจของพระเจ้านี้ไม่มีวันตายเหมือนกันมีแต่ ต่างกันตรงที่สุขหรือทุกข์กันนึ่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์นี้ไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากสนใจของพวกเรานี้ทุกข์ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีความอยากอยู่เรากย็ยังต้องทุกข์ไปเรื่อยๆฉะนั้นเราถ้าอยากจะสุขเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เราก็ต้องมาหยุดความอยากกัน การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมาถือศีลกัน ต, นตอนต้นง่ายหัดถือศีลห้าไปก่อนยังไม่มีกําลังเหมือนเด็กอนุบาลเียนหนังสือจะให้ไปเรียนชั้นมัธยมเลยนี่ไม่ได้ต้องไปเข้าอนุบาลกันเข้าอนุบาลไปประถมไปมัธยมก่อนค่อยๆขยับขึ้นไปตอนต้นก็มาฝึกถือศีลห้ากันไปก่อน ถือศีลห้าได้แล้วก็มาลองถือศีลแปดในวันพระกันวันธรรมดาถือศีลห้าวันพระถือศีลแปดพอถือศีลแปดได้ก็เพิ่มจากอาทิตย์ละวันเป็นอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสามวันต่อไปก็รักษาศีลแปได้ทุกวันพอรักษาศีลแปดได้ต่อไปก็ไปบวชได้ทําไมต้องบวช เพราะการที่จะหยุดความอยากนี่มันต้องทําตลอดเวลาเพราะความอยากนี่มันทำงานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็อยากาถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะหยุดความอยากไม่ได้เราเลยต้องมาสร้างสมาธิสร้างปัญญาการจะสร้างสมาธิสร้างปัญญาก็ต้องสร้างตลอดเวลาถึงจะสร้างได้ถ่ามาทําวันละครึ่งชั่วโมงทํานลชั่วโม ง, งนี้ ไม่มีวันที่จะสงบได้ปัญญาก็จะไม่ทันกิเลสเพราะมันจะลืมมันไม่ได้คิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพรามัแต่ไปคิดเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคารวะ น, นี่คิดแต่เรื่องของกิเลสไปหาเงินที่ไหนดีไปหาความสุขที่ไหนดีคิดอยู่แต่เรื่องของกิเลสเท้งนั้นคิดแต่จะหาราบยศสะรเสริญหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายมันก็จะไม่มีเวลามาคิดทางปัญญา คิดว่าความอยากต่างๆนี่เป็นทุกข์มันไม่คิดกันมันกลับเห็นว่าการทำตามความอยากเป็นสุขอยากได้เงินแล้วก็ไปหาเงินพอหาเงินก็ได้เงินมาถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากได้เงินมันก็จะไม่มีเงินมันก็เลยเห็นความอยากเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นโทษแต่มันไม่คิดถึงตอนที่อยากอยากได้เงินแล้วหาไม่ได้นี่เป็นยังไง ทุกข์ไหมเวลาอยากจะหาเงินแล้วไม่ได้เงินไม่มองไม่เห็นเห็นแต่ตอนที่ได้ไม่มองเห็นตอนที่ไม่ได้หรือตอนที่เสียอยากได้เงินแทนที่จะได้เงินกลับเสียเงินถูกก็หลอกเอหลอกยืมเงินแล้วจะให้ให้ดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้วามเงินไปแล้วก็ไม่ให้คืนเลยดอกเบี้ยก็ไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจ ถ้าไม่ไปบวชไม่ไปปฏิบัติจะไม่มีเวลาที่จะคอยหยุดความอยากได้เพราะความอยากมันจะคอยดึงให้เราไปทาตามความอยากอยู่เรื่อยๆจึงต้องไปบวชกันจะได้นั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนต้องมีสมาธิถึงจะมีกำลังสู้กับความอยากถ้าไม่มีสมาธินี่มันไม่มีกำลังรู้ก็รู้ว่าความอยากไม่ดี แต่พอมันชวนมาปับ๊บก็ไปกับมันชวนให้ไปดื่มกาแฟก็ไปชวนให้ไปสูบบุหรี่ก็ไปชวนให้ไปเที่ยวก็ไปพวกที่มาบวชแล้วต้องเสกกันก็เพราะสู้ความอยากไม่ได้เดี๋ยวความอยากก็ชวนให้กลับไปหาแฟนชวนให้กลับไปเที่ยวฉะนั้นการที่จะสู้กับกิจความอยากได้นี่ต้อง ทำใจให้สงบให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกมาจากสมาธิต้องมีกำลังสู้กับความอยากไม่ได้แล้วต้องมีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยว่าอย่าไปทำตามความอยากนะทำแล้วก็ทุกข์นะทำแล้วก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆทำแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต้องสอนมันตลอดเวลาถ้าไปทำงาน เป็นคารวะนี้ไม่มีทางเพราะมีแต่จะต้องทำตามความอยากเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรจิตปาฏิาริค่าขนมค่าเที่ยวค่ากินค่าดื่มมันก็จะคิดแต่หาเงินอยากได้เงินอยู่ตลอดเวลามันจะไปคิดหยุดความอยากได้เงินได้อย่างไรต้องไปบวชเท่นั้นพอไปบวชแล้วมันไม่มีค่าใช้จ่ายให้มากังวลแล้ ก็จะได้มาคิดถึงเรื่องการหยุดหาเงินหยุดความอยากต่างๆได้แล้วพอเกิดความอยากก็จะได้เอามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากถ้าไม่คิดมันจะลืมพอเกิดความอยากขึ้นมาคว้ามักเลยอยากจะสูบบุหรี่ก็ความั่เลยอยากจะดื่นสุราก็ความัเลืเลยแต่ถ้ามีปัญญาคอยเตือนใจว่านี่เป็นความอยากนะ นี่เป็นการเกิดแก่เจ็บตายนะนี่เป็นความทุกข์นะถ้ามันมีนี้เตือนใจมันก็จะชะนักได้หยุดได้แล้วมันก็ไม่ต้องทําตามความอยากได้ไม่ก็อยู่เฉยๆได้เพราะใจที่มีสมาธินี้อยู่เฉยๆก็มีความสุขพอเกิดความอยากเท่านั้นน่ะความสุขจึงหายไปก็ต้องดึงใจให้กลับมาอยู่กับความสงบต่อไปด้วยการไม่ทําตามความอยาก เราไม่ทำตามความอยากใจก็สงบมีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้นี่ก็คือเรื่องของวิธีการที่จะทำให้ใจเรากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปทำให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์ทำให้ร่างกายกระดูกของเรากลายเป็นพระธาตุขึ้นมาทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะไปนอนในเจดีเวลาที่ตายไปแล้ว ทือเขาสร้าง này, เจดีย์นี้กขาสร้างเพื่อจะได้เอาอาัฐิของพระอรหันต์คือพระธาตุของพระอรหันต์เป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเนี่ยเวลาท่านตายไปแล้วเนี่ยอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาไม่มีที่บรรจุลูกศิลุกหักหาก็เลยต้องมาสร้างเจดีย์สร้างพิพิธภัณฑ์มาเป็นที่เก็บตามจริงสร้างพิพิธภัณฑ์มันมีประโยชน์มากกว่าเจดีย์ อ๋อพิพิธภัณฑ์นี้สามารถเข้าไปศึกษาประวัติของท่านได้เลยถ้าสร้างเจดีก็เอาอาัฐิไปบรรจุแล้วก็ปิดไม่มีใครรู้ว่าข้างในมีอะไรจึงวงตาท่านถึงนิยมให้สร้างพิพิธภัณฑ์แทนเจดีเพราะจะได้เป็นแหล่งศึกษาประวัติของพระอารหันต์ศึกษาให้รู้ว่าพระอารหันต์นี้เป็นอย่างไรเป็นได้อย่างไร ทำไมถึงต้องเป็นพระอาลาน์เป็นไปเพื่ออะไรเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มานนี่จะมีพระธาตุของท่านจะมีรูปเหมือนของท่านแล้วก็มีอธธาถรรขา์เครื่องมือที่ท่านใช้ฆ่ากิเลสอธธาถริขารคืออาวุธที่ใช้ฆ่ากิเลสแล้วก็ประวัติของท่านการปฏิบัติของท่านปฏิปทาของท่านมีให้อ่านให้ศึกษา อย่างนี้จะเป็นประโยชน์กว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีคนคอยดูแลรักษาถ้าไม่มีใครดูแลรักษามันก็อาจจะสูญห า, หายหรือถูกทำลายไปก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่บความจริงว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์แล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ในวันหนึ่งมันก็ต้องพังทลายไปไม่พังทลายเพราะเวลาก็อาจจะมีผู้ที่ไม่ปรารถนาดีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับศาสนามาทำลายก็ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงเราทำก็ทำไปเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จะได้รู้มาก ร, รู้นานหรือไม่ ก, ก็แล้วแต่ บุญแต่กรรมไปก็แล้วกันมีพิพิธภัณฑ์ถ้าเกิดไม่มีใครเลี้ยงแลร์ไม่มีใครสนับสนุนต่อไปก็อาจจะเสื่อมสภาพไปถ้าไม่มีคนคอยเฝ้าเดี๋ยวอาจจะมีขโมยเข้ามาขโมยพระาธาตุไปก็ได้ก็เป็นเรื่องของโลกที่มันทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่พระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องตายจากพวกเราไป แต่อย่างน้อยเราก็มีพระไตรปิฎกเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ตัวแทนของพระเจ้าที่แท้จริงคือคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระธาตุของพระพุทธเจ้าที่บรรจุไว้ที่พุทธคยาอันนั้นก็เป็นตัวแทนทางร่างกายสารีละแต่ตัวแทนตามจิตวิญญาณก็คือคําสอนนี่แหละ คำสอนนี้ออกมาจากใจของพระพุทธเจ้าออกมาจากจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าถ้ามีคําสอนเราก็มีพระพุทธเจ้าสอนเราเหมือนมีพระพุทธเจ้าสอนเราอยู่ทุกวันนี้พวกเรายังมีโอกาสได้เป็นพระอาหารหันต์กันก็เพราะว่ายังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าไม่มีคําสอนมีแต่เจดีย์นี่มันไม่มีใครมาสอนเราเห็นให้เรา รักษาคำสอนกันดีกว่าดีกว่ารักษาเจดีย์เจดีย์ก็สร้างไปอยู่ได้ก็อยู่ไปพังก็พังไปแต่มารักษาคำสอนดีกว่านี่ที่จะรักษาคำสอนให้อยู่ต่อไปก็คือเราต้องมาศึกษากันศึกษาแล้วเราเอาไปปฏิบัติกันเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันพอเป็นพาาาระอรหันต์แล้วเราก็จะได้ไปสอนผู้อื่นต่อไป ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการสั่งสอนศาสนาคําสอนของพระเจ้าก็จะอยู่กับโลกไปเรื่อยๆไม่มีใครจะมาทําลายได้ทําลายพระอาหารหันต์ก็ทําลายได้แต่แต่ยากกว่าการไปทําลายเจดีย์ทำล า, ายพระพุทธรูปเพราะเจดีย์พระพุทธรูปเคลื่อนไหวไม่ได้แต่พระอาหารหันนี่เคลื่อนไหวได้หลบได้ เ้าก็ไปอยู่ในป่าก็ตามไม่เจอแล้วงั้นเรามาทำด้านที่ที่จะอยู่ไปกับาศาสนาได้นานกว่าก็คือมาสร้างพระอรหันต์กันดีกว่ามามาอนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการผลิตพระอรหรันต์เพราะพระอรหันต์นี่แหละเป็นผู้ที่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ รู้อย่างร้อยเอร์เซ็นถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคําสอนนี้ทําให้ท่านเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วทําไมท่านจะไม่รู้ว่าคําสอนเป็นอย่างไรผิดถูกตรงไหนทําไมท่านจะไม่รู้ส่วนเจดีก็สร้างไปถ้ามีเงนินมีทองถ้าไม่รู้จะไปใช้ทําอะไรก็ไปสร้างกันแต่ถ้าประโยชน์เปรียบเทียบกันแล้วสร้างพระอรหันต์ดีกว่าแต่ยากกว่า พราเจเจดีนี่ฟักเงินไม่กี่ตานก็สร้างเสร็จแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ต้องออกบวชมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องสละไปหมดแล้วก็ไปอยู่แบบทุกข์ยากลําบากอยู่แบบโอดอยากขาดแคลนอยู่ในปา่าในเขาแล้วก็ต้องสู้กับกิลเลสสู้กับความอยากต่างๆกว่าจะได้ศีลสมาธิปัญญามาเป็นเครื่องมือฆ่ากิลเลส แต่ได้แล้วมันคุ้มค่ากว่าได้ผ้าหลานองหนึ่งนี้สามารถผลิตผ้าหลานเพิ่มขึ้นอีกหลายองค์หลวงปู่มั่นเนี่ยพอท่านเป็นผ้าหลานแล้วนี้ท่านก็สามารถผลิตผ้าหลานขึ้นมาได้อีกหลายองค์แล้วลูกศิษย์ของผ้าหลานของหลวงปู่มั่นก็ไปผลิตผ้าหลานต่อไปได้ขยายไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ดีกว่าศาสนาแบบนี้ คนทำลายยากเขาจะฆ่าผ้าหลันแต่ละองค์นี้ฆ่ายากผ้าหลันนี้ไม่ง้อแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่หาได้ง่ายๆจะไปหาผ้าหลันแต่ละองค์นี้ต้องเข้าไปเข้าเขานี่ถึงจะไปเจอกันส่วนใหญ่ถ้าไม่มาโผล่ตามบ้านตามเมืองนอกจากญาติโยมลากท่านออกมาท่านนี่ปกติถ้าไม่ออกมา ญาติโยมเนี่ยไปลากขนออกมาให้มันเจียมป้ายให้หน่อยมาปาะพมน้ามนต์ให้หน่อยท่านปกติถ้าไม่อยากจะออกมาละนั่ น, นก็พูดถึงเรื่องเจดีเรื่องของศาสนาเรื่องของพระอรหันต์ก็ขอให้เอาไปพิพจารณาและปฏิบัติ เพื่อจะได้เป็นพระอรหันกันต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ย่านุโมทนาให้พรยะทาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกปติอิชิตังปะฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตตุ สัเพปุเลนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทานสีริตะนิจังวุธาปจายโนจตารโธมรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังงานยังไงไปอยู่ที่ไหนมาอยู่ชุมพรครับนีไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่ครับ อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ถ้ามีความพอใจนะความพอใจทาำนะยินดีตามมีตามเกิดนะก็จะมีความสุขไม่ว่าจะได้อะไรก็จะมีความสุขนะนี่เราอยากจะถามไหมไม่มีนะนะ ก็ต้องไปปฏิบัติเนาะปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้ได้เห็นมากกว่าที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นการปฏิบัตินี้จะทําให้เราเห็นตัวจริงการฟังนี้เพียงแต่ได้ยินชื่อได้ยินชื่อของศีลได้ยินชื่อของสมาธิได้ยินชื่อของปัญญายังไม่ได้เจอตัวจริงถ้าเจอตัวจริงแล้วจะเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจาก ของจริงตอนได้ยินแต่ชื่อนี้ยังไม่ได้รับประโยชน์อะไรได้ยินแต่ชื่อว่าศีลแต่ยังไม่ได้รักษาก็ยังไม่เห็นประโยชน์ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิยังไม่ได้นั่งสมาธิให้ใจสงบก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของสมาธิได้ยินแต่ชื่อปัญญาแต่ยังไม่เคยเห็นปัญญาตอนที่มาฆ่ากิเลสแท้าตาย มีปัญญาเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากก็หยุดมันได้คโอ้ยความทุกข์นี่หายไปหมดเลยเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจต้องปฏิบัติถึงจะเห็นผลการเรียนนี้เพื่อจะให้รู้เป้าหมายของของการปฏิบัติให้ปฏิบัติตรงไหนให้ทําอะไรทําไมเรียนก็อาจจะคิดว่าฆ่ากิเลสด้วยการไปเที่ยวกันอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวกัน เที่ยวแล้วก็มีความสุขกิเลสก็ตายไปชั่วคราวความอยากเที่ยวก็ไม่มีกลับมาบ้านก็สบายไปสักพักหนึ่งแต่ไ ม, ม่ตายแท้ดีกว่าเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดความอยากได้มันจะไม่โผล่กลับมาใหม่มันจะเบื่อไปเลยมันจะไม่อยากเลยต้องปฏิบัตินะ ถึงใจเห็นผลที่เกิดขึ้นกัดใจของเราใจเราสุขใจเราทุกนี่จะเห็นชัดเจนจากการปฏิบัติอะไรทำให้ใจเราทุกอะไรทำให้ใจเราสุขมันถึงไม่สงสัยคนที่ปฏิบัติแล้วเวลาสอนนี่ไม่ไม่สงสัยไม่เหมือนกับคนที่เรียนแล้วไปสอนคนที่เรียนแล้วไปสอนตัวเองเองสงสัยอยู่มันจะเป็นจริงหรือเปล่าทีก็เลย เห็นว่ามันยากก็เลยไม่สอนเลยพวกเห็นนั่งสมาธิมันยากก็เลยไม่นัองสอนให้นั่ง ข, ข้ามสมาธิไปเลยใช้ปัญญาไปเลยปัญญาไม่มีสมาธิมันก็เป็นสัญญาหรือเป็นปัญญาที่ไม่มีกําลังเป็นความรู้ที่ค่ากิเลสไม่ได้เพราะไม่มีกําลังสู้กับกิเลส รู้ว่ากิเลสไม่ดีรู้ว่าความอยากไม่ดีแต่สู้มันไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิไม่มีกำลังถ้ามีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังนั้นข้ามข้ามสมาธิไปไม่ได้การที่จะไปใช้ปัญญาเพื่อข้ากิเลสนี่ถ้าไม่มีสมาธิอย่าไปใช้ให้เสียเวลาเหมือนอาคนที่ไม่มีไม่มีแรงไปทำงานคนที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้พักผ่อนหลับนอนแล้วเอาไปใช้มันทางาน มันไม่มีวันที่จะทํางานได้สําเร็จนะต้องให้มันพักผ่อนหลับนอนให้มันกินข้าวอย่างเต็มที่พอมันตื่นขึ้นมามันมีกําลั ง, ลงนะใช้มันทําอะไรพุทพัดพุทพัดสองสามทีก็เสร็จนะนี่แหละคือสมาธิสมาธิจะทําให้ใจมีพลังมีพลังที่จะสู้กับกิเลสได้ถ้าไม่มีสมาธินี่ไหลไปตามกิเลสกิเลสบอกให้ทําอะไรก็สู้มันไม่ไหว ยอมแพ้ต้องทำสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาต่อเราจะทำสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนถ้าไม่มีศีล น, น, นั่งสมาธิไม่มีวันเทิงอมาหนึ่งจะไม่มีเวลานั่งจะไปติดคุกติดตารางกันเนี่ยคนทำบาปเนี่ยไปติดคุกติดตารางจะไ่ไปขึ้นศาลอยู่ตลอดเวลาไปวิตกกังวลกับ ข้อหาคดีต่างๆแล้วมันจะไปมีกระจิตกระจายจะนั่งสมาธิได้ยังไงมันต้องไม่ทำบาปไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวกับใครถึงจะทำให้ใจโล่งใจสบายใจจะได้มาจเจริญสติพุทธโธพุทธโธได้พระพุทธเจ้าบอกต้องทำเป็นขั้นบันไดเพราะทำแต่ละขั้นนี้มันสนับสนุนกัน ทำขั้นที่หนึ่งสนับสนุนขั้นที่สองขั้นที่สองสนับสนุนขั้นที่สขั้นที่สามสนับสนุนขั้นที่สี่ว่าสติอัสมาศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิได้ง่ายสมาธิทําให้เกิดทําให้ใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้ถ้าไม่มีสมาธิมีปัญญาก็ฆ่ากิเลสไม่ได้สมาธิสนับสนุนปัญญาในการฆ่ากิเลสปัญญาสนับสนุน ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสมาธิเองฆ่ากิเลสไม่ได้เองตหยุดได้ชั่วคราวแต่ไม่ตายต้องใช้ปัญญาถึงจะตายต้องใช้ทั้งสองอย่างใช้ทั้งสมาธิใช้ทั้งปัญญาเงเจอทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ท่านถึงบอกว่าสมาธิที่มีศีลเป็นผู้สนับสนุน เป็นสมาธิที่มีพลังมากมีกําลังมากมีประโยชน์มากปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาธิก็จะมีพลังมากมีกําลังมากจิตที่มีปัญญาสนับสนุนก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวมันต้องเป็นขั้นไปแต่ละขั้นปัญญาต้องอาศัยสมาธิสมาธิต้องอาศัยศีลจิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยปัญญา มันก็เลยต้องทําตามขบวนการเหมือนกับเด็กนี้ก่อนที่จะวิ่งได้ก็ต้องคลานก่อนคลานได้แล้วก็ยืนให้ได้ก่อนยืนได้แล้วก็เดินให้ได้ก่อนถึงจะวิ่งได้ไม่ใช่อยากไม่ใช่นอนอยู่นี้อยากจะวิ่งก็ลุกขึ้นมาวิ่งเลยไดย้มันก็มีขั้นตอนของมันต้องนอนก็ต้องพลิกขึ้นมาคลานก่อน ทานได้แล้วก็หัดลุกขึ้นมายืนก่อนยืนได้แล้วก็หัดเดินก่อนเดินแล้วก็หัดวิ่งต่อไปเนี่ยจิตที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องสร้างศีลขึ้นมาก่อนเมื่อมีศีลแล้วก็จะไปสร้างสมาธิขึ้นมาได้เมื่อมีสมาธิแล้วก็จะไปสนับสนุนปัญญาในการฆ่ากิเลสได้พอปัญญามี สมาธิสนับสนุนพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ฆ่ามันได้ทันทีพอจิตมีปัญญาคอยฆ่ากิเลสให้จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นอย่าข้ามขั้นตอนตัวตาดูการปฏิบัติของเราว่าตอนนี้เรามีศีลด้วอย่างมีสมาธิด้วอย่างถ้ายังไม่มีอย่าไปคิดว่ามีปัญญาแล้วจะฆากิเลสได้ ปัญญามันมีสองแบบปัญญาที่ฆ่ากิเลสได้กับปัญญาที่ฆ่ากิเลสไม่ได้ปัญญาที่เรามีตอนนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสไม่ได้เรารู้เนี่ยฟังเทศฟังธรรมก็รู้แล้วกิเลสไม่ดีความโลภไม่ดีแต่ทำไมถ้วยกาแฟนั่งอยู่ข้างๆอย่างเนี้ยรู้ว่าไม่ดียังอยากดื่มกาแฟใช่หมเนี่ยมีเครื่องดื่มเต็มไปหมดนั่งฟังเทศไปนี่ยังมีเครื่องดื่มตั้งอยู่ข้างๆอย่างเนี้ย มันปัญญาปลอมเลยปัญญาหลอกเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นความรู้ที่ฆ่ากิเลสไม่ได้ปัญญาที่เราฟังนี่ฆ่ากิเลสไม่ได้เพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิเป็นผู้หยุดกิเลสปัญญาเป็นผู้สั่งให้สมาธิหยุดกิเลสปัญญาสั่งแล้วแต่สมาธิไม่มีกาลังก็หยุดเลยไม่ได้ ต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะฆ่ากิเลสได้มีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้ามีสมาธิก็เพียงแต่หยุดกิเลสชั่วคราวเดี๋ยวพอกิเลสพอเผลอกิเลสก็โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่ตายไม่ตายด้วยสมาธิต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าการทําตามกิเลสเป็นทุกข์นี่คือปัญญาสมาธิไม่เห็นสมาธิเพียงแต่หยุดเพียงแนั้นเอง พอพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปกิเลสก็หยุดทํางานพอหยุดพุโทโธกิเลสก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าจะไให้กิเลสโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาเวลาโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปทําตามมันพอไม่ไปทําตามมันต่อไปมันก็ไม่มาเหมือนคนที่มาขอยืมเงินเราเนี้ยถ้าเราให้มันยืมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาให้มันยืมกี่ครั้งมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากให้มันมาก็อย่าให้มันยืม ขอขอยื้ไม่ออกมาขอขอ้ืมไม่ได้ทักสองสามครั้งมันก็ไม่มามาเสียเวลาความอยากก็แบบเดียวกันพออยากกินกาแฟถ้ามันกินเดี๋ยวมันก็กลับมาขอขอกาแฟเลยถ้าไม่อยากให้มันกินก็อย่าให้มันอย่าให้กาแฟเลยต่อไปมันก็ไม่มาขอกาแฟน ะ, นะอันนี้เกิดธรรมะที่เราจะเรียนรู้กันเรียนแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติตามขั้นตอนตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนเราต้องตรวจตาหนึ่งสีแล้วรักษาบริสุทธิ์ในอย่างห้าข้อนี้รักษาได้หรือยังรักษาได้กี่ข้อได้กี่วันเอาให้มันได้ห้าข้อได้ทุกวันแล้วค่อยมาเพิ่มเป็นแปดข้อถ้ามี็แปดข้อแล้วทีนี้มันก็จะมีเวลาไปปฏิบัติทําได้ เพราสิ่แปดมันจะห้ามกิจกรรมอย่างอื่นทั้งหมดห้ามเที่ยวห้ามกินห้ามดื่มห้ามเล่นห้ามหลับห้ามนอนออมันก็จะมีเวลามาปฏิบัติเมานั่งสมาธิมัาเจริญปัญญาถ้ายังไม่มีสิ่งแปดสิ่งสิบสิ่งสองรอยยี่เจ็ดนี้ไม่มีทางเดี๋ยวก็ไปเที่ยวกันเดี๋ยวก็ใครมาชวนก็ไปได้ใครมาชวนไปกินเลี้ยงคืนนี้ก็ไปได้ถ้าไม่ได้ถือสิ่งแปด ถ้าถือศีลแปดก็ไปไม่ได้แฟนจะมาชวนนอนก็นอนไม่ได้ถ้าถือศีลแปดแล้วก็นอนไม่ได้ก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิแทนที่ไปนอนกับแฟนเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ไปดูหนังก็ไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้จะได้มีเวลาเยอะๆจะได้มีเวลามาปฏิบัติ นี่คือหน้าที่ของศีลถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้ปฏิบัติก็ได้แค่วันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอยากจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ไม่มีเวลา<ม>ถ้าไม่ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางที่จะฆ่ากิเลสได้ไม่มีทางที่จะทําจิตให้สงบได้อันนี้คือความจริงในทางการปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่รู้กันแล้วก็จะไปปฏิบัติตามความ สบายของตัวเองปฏิบัติแบบไหนสบายก็ปฏิบัติไป ป, ปฏิบัติไปกี่ปีใจก็ไม่เคยสงบเป็นสมาธิที่กิเลสทังตัวก็ฆ่าไม่ได้ปฏิบัติแบบสบายปฏิบัติตามความรู้สึกนึกคิดของตนไม่ปฏิบัติตามคนที่เขามีประสบะการณ์มาแล้วมันไม่เหมือนกัน มันม่มีประสบการณ์ครับรือว่าจะต้องปฏิบัติมากน้อยเพลยจะต้องปฏิบัติอะไรมากอย่างไรเั้นถ้าอยากจะได้ผลก็ต้องไปหาคนที่เ้ามีประสบการณ์แล้วเชื่อเขาแล้วปฏิบัติตามเขาถ้าไม่เชื่อเขาก็อย่าไปเสียเวลาไปแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเขาเขาบอกแล้วก็ไม่ทาตามเขายังก็ไม่ต้องไปดีือเป่าไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่เขาบอก ยังชอบปฏิบัติตามที่เราชอบอยู่อยากจะไปปฏิบัติก็ปฏิบัติอยากจะหยุดก็หยุดอี้ถ้าอย่างนี้ก็ก็เป็นเรื่องของเราเนี่ยคอนี้กไปหาครูบาอาจารย์ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ <c oughs> ก็เพื่อที่ได้ให้ครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยสอนเอราะบางที อยู่คนเดียวเดี๋ยวมันชอบทำตามใจตัวเองทำตามใจตัวเองมันก็เลยไม่ได้ผลสถทีมีคำถามทางบ้างไหมค่ะคำถามจากคุณชาลิสาค่ะเวลาเรานั่งสมาธิในใจเราไม่ลืมพุทโธรู้ตัวเองตลอดแต่จิตไม่นิ่งเลยค่ะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าพุทโธมันยังกำลังน้อยอยู่ ต้องทําให้บ่อยๆทําให้มากๆต้องทําทั้งวันไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรานั่งอย่างเดียวเดึงขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยถ้ามันทําพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปพุโทโธมันจะมีกําลังมากกว่าความคิดต่างๆตอนนี้เหมือนชักกระเยอะกันมันดึงมาแล้ว เ, เราดึงมามันดึงไปเพราะเราอ่อนมันก็ดึงไปเพราะเรามีกําลังมากกว่าเราก็ดึงมันมาตอนนี้ ต้องผัดกันรับผัดกันสู้ไปก่อนคำถามจากคุณบีบีค่ะเสียงแปดข้ออัคพ ม, มจริยาห้ามแค่ไม่ร่วมหลับนอนหรือห้ามการแตะต้องให้ตรงข้ามส่งของต่อมือกันแม้ว่าจะไม่มีเจตนาทางชู้สาวเลยก็ห้ามด้วยไหมคะก็กันไว้ดีกว่าแก้ไงเพราะว่าน้ำกับไฟนีํน้ำมันกับไฟถ้ามันอยู่ใกล้กันถึงแม้ไม่มีเจตนาจะให้มันลุกมันก็ลุกขึ้นมาได้ พอไปแตะเนื้อต้องตัวกันขึ้นมากิเลส ท, ที่มันพร้อมที่จะลุกมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ตั้งที่เราไม่มีเจตนานท่านก็เลยห้ามไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันเพื่อความปลอดภัยแต่ยังไม่ผิดศีลการแตะเนื้อต้องตัวกันแต่มันเป็นเหมือนกับเอาน้ากับไฟมาอยู่ใกล้กันละ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรเผลอขึ้นมาไฟลุกขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้ามันอยู่คนละที่มันไม่มีวันที่จะลุกได้ คำถามจากคุณกบค่ะผมมีนิสัยที่ลืมอยู่เรื่อยพลาดบ่อยในสิ่งที่ไม่ควรพลาดจับเข้าผมควรแก้ไขตัวเองอย่างไรดีครับก็ท่องจําอยู่เรื่อยๆเลยลืมอะไรก็ท่องจําอยู่เรื่อยๆมันไม่ท่องจํา ม, มันก็ลืมมาเลยจะลองท่องอย่างนี้วันนี้จะทําอะไรก็ท่องไว้เลยวันนี้จะไปกินข้าวกับคนนั้นวันนี้จะไปกินข้าวท่องมันไปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไม่ลืมที่มันลืมเพราะมันไม่คิดถึงเรื่องที่เราต้องทํามันก็เลยลืม สูตรคูนี้ถ้าเราอยากจะจําได้เราก็ต้องท่องมันไปเรื่อยๆสองคูนสองเป็นสี่สองคูนสเป็น6ท่องไปท่องไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ขึ้นใจอยู่ในใจเรามันก็ไม่ลืมลืมก็ท่องขึ้นมาใหม่ของมันไม่ลืมหรอกถ้าเราขยันท่องเนี่ยพระสวดปฏิโมกข์สินสองร้ี่สิบข้อถ้ายังสวดกันได้ท่านก็ต้องสวดอยู่เรื่อยๆทถ้าสวดครั้งเดียวเราเลิ ก, เ ล, กเลิกไปสวด เ, เลิกไปท่องเดี๋ยวก็ลืม ต้องมันท่องอยู่เรื่อยๆต้องขยันต้องขยันจํามันก็จะไม่ลืมถ้าขี้เกียจจามันก็ลืมคําถามจากคุณบีบีค่ะต้องช่วยแม่จับ ก, กี้ข้อเสมอไม่ช่วยไม่ได้เพราะแม่ว่าจะให้แม่เป็นควายไม่สงสารหรือพอเปิดโปงได้พ่อก็ไม่พอใจหาว่าอยากให้เลิกกันส่วนตัวรู้สึกว่าพ่อทําไม่ถูกแต่ไม่ได้อยากให้เลิกอยากให้หยุดหนูบาปมากไหมคะ ก็มันเป็นเรื่องของพ่อของแม่คเขาเราไม่ควรที่จะไปยุ่งปล่อยให้เขาอยู่กันไปตามบุญตามกรรมของเขาคำถามจากคุณแป้งค่ะคนที่ทําบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจําแต่ก็ชอบนินทาโกหกและชอบคดโกงผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนแบบนี้จะได้บุญจริงๆริงหรือคะหรือทําบุญแล้วสามารถลบบาปที่ทําได้เจ้าคะไม่ได้หรอกบุญกับบาปคนละกระทงกันคนละเรื่องกัน ทำบุญก็ได้บุญทำบาป ก, ก็ได้บาปไม่ลบล้างกันคำถามจากคุณเปาค่ะได้ปฏิบัติโดยพิจารณากายมีความสงบและมีความสุขมากอยู่สองสามวันต่อมาพอประมาณหกโมงเย็นรู้สึกเบื่อและหุดหงิดมากจึงเดินไปทานอาหารและดูทีวีต่อมาปฏิบัติอีกพอหกโมงเย็นก็เกิดอารมณ์เบื่อหูดหงิดอีก โยมก็พิจารณาว่าความเบื่อและหงุดหงิดนั้นว่าไม่มีตัวตนทำให้มีความสุขและสงบสบายถูกหรือไม่เจ้าคะก็ถ้ามันทำแล้วสุขสบายก็ถูกแล้วทำถามจากคุณต้อค่ะเวลาขณะที่เรานอนหลับจิตของเรามีสติไหมคะถ้ามีสติมันก็ตื่นเลยเน่ทำถามจากคุณเ็มจันค่ะ โยมได้จัดตารางเวลาทํางานทั้งโลกและทํางานทางธรรมตามที่พระอาจารย์แนะนําแต่มีบางครั้งความรู้สึกลื่นเลงในการทํางานทางธรรมมันลดลงแต่ยังทําอยู่กับขออุบายเพื่อให้มีความลื่นเลงในการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องด้วยเจ้าค่ะก็ต้องทําให้มากขึ้นตอนต้นเวลาทําใหม่ๆมันก็ลื่นเลงพอ ท, ทําไปสักพักมันก็จะชินอยากจะให้มันลื่นเลงก็ต้องเพิ่มเพิ่มผลของการปฏิบัติให้มากขึ้น พอได้ผลมากขึ้นความเลื่อนเดินก็จะเพิ่มขึ้นมาคําถามจากคุณชิค่ะพระอาจารย์เทศว่าการมีร่างกายเป็นทุกข์ขอกราบเรียนถามว่าพวกกายทิพย์ไม่มีร่างกายแปลว่าพวกกาทิพย์จะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายแต่ยังมีความทุกข์ในรูปแบบอื่นอยู่ใช่ไหมคะใช่ก็ทุกข์ทางใจกายทิพย์ก็ยังมีความอยากอยู่อยากในรูปทิพย์เสียงทิพย์เวลาไม่ได้เสกรูปทิพย์เสียงทิพย์ก็ทุกข์ได้ คำถามจากคุณดวงพิดาค่ะเราจะทราบได้ยังไงว่าพระรูปใดเป็นพระอรหันต์คะก็รอให้ตายก่อนนี่รอตายแล้วก็ไปดูว่ากระดูกเป็นว่าธาตุหรือเปล่าคำถามจากคุณพยอมค่ะเมื่อสองสัปดาห์ก่อนอดีตหัวหน้าที่เคยร่วมงานกันได้ไม่ถึงปีเสียชีวิตจากการผูกคอตาย เขาต้องไปชดใช้กรรมอย่างไรบ้างคะก็ต้องไปผูกขอตายอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณภคกรยศค่ะผมนั่งสมาธิแล้วจิตสงบเหมือนผมตกหลุมดำเลยครับพะอาจารย์เลยสะดุ้งทำยังไงดีครับอย่าสะดุ้งเลยสักแต่ว่ารูเฉยๆประคับความสงบนั้นด้วยสติไว้ ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจแต่ใหม่ๆครั้งแรกมันไม่เคยมันก็อาจจะสะดุ้งได้ครั้งต่อไปก็ให้ใช้สติรู้เฉยๆเราจะเวลานั่งก็อย่าไปอยากให้มันตกเพราะถ้าอยากให้มันตกแล้วมันจะไม่ตกแล้วคำ ถ, ถามจากคุณคาวีค่ะมีพระรูปหนึ่งเขาเอาไม้ตีแมวที่มารบกวนเขาจนตาบอดถือว่าผิดวินัยร้ายแรงไหมครับ ก็ทําร้ายสัตว์มันก็ผิดแหละพระต้องมีความเมตตาคําถามจากคุณกิติชัยค่ะคนที่ไม่ได้โกนหัวบวชพระมีโอกาสจะไปนิพพานได้ไหมครับมันจะไปนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่โกนหรือไม่โกนมันอยู่ที่กิเลสตายหรือไม่ตายาเห็นคนที่มีผมยาวแต่กิเลสตายก็ไปนิพพานได้ คนที่มีผมสั้นแต่กิเลสไม่ตายก็ไปนี้ผ่านไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ที่กิเลสว่าตายหรือไม่ตายามหมดแล้วเหรพักเดียวรอคำถามมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่ถามก็นั่งสมาธิไปรอคำถามไปมีเหรอคะ คำถามจากคุณเอ็กซี่ค่ะคําสอนของหลวงปู่ม่านเรื่องมุตโตไทยเป็นคําสอนเกี่ยวกับอะไรครับก็เป şey ็นคําสอนที่หลวงปู่ท่านแสดงทําไว้แล้วมีลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดคอยจดบันทึกเอาไว้แล้วมารวบรวมเป็นหนังสือมุตโตไทยก็ไปเปิดดูเลไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้มุตโตไทยก็สมัยก่อนไม่มีที่อัดเสียงไง ไม่เหมือนสมัยหลวงตาสมัยหลองตานี่เน่ามีที่อัดเสียงนะก็เลยไม่ต้องบันทึกส่วนสมัยหลวงปู่มันนี่มีพระอุปถาตที่อยู่ใกล้ชิดได้ฟังก็ก็จดไว้เขียนไว้บันทึกไว้แล้วก็เอามาทําเป็นหนังสือมุตโตไทยขึ้นมามุตโตไทยก็แปลว่าหัวใจของการหลุดพ้นหัวใจมุตโตก็วิมุตไงก็มาจากคำวิมุตไทยก็คือหัวใจ อัทไทยมุตตไทยก็แปลว่าหัวใจของการหลุดพ้นจากความทุกข์คำถามจากคุณกิตตณาค่ะกราบขอเรียนถามพระอาจารย์เรื่อง อ, อ, อิทธิบาท4สี่และอินทรีย์ห้าค่ะอิทธิบาท4สี่แปลว่าทรสี่ประการที่นำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าในทางธรรมหรือทางโลกอยากจะสำเร็จ ถ้าใครมีอิทธิบาทสี่ก็สามารถทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําสําเร็จรุ่เรื่องไปได้คือข้อหนึ่งก็คือฉันทะความยินดียินดีกับงานที่เราต้องทําข้อที่สองวิริยะความขยันหมั่นเพียรเรามีความยินดีกับงานที่เราต้องทําเราก็จะขยันทําเราทํางานที่เราชอบนี่เราไม่ต้องบังคับใช่ไหม ถ้าเราทํางานที่เราไม่ชอบนี่มันจะต้องรู้สึกอึดอัดเน้นถ้าเราอยากจะพกกรกสบความสําเร็จเราต้องเลือกงานที่เราชอบทำํำพอเราชอบทําแล้วมันก็จะขยันทำํำและข้อที่สามก็ให้มีจิตตะแปลว่าใจก็จะจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำํำจะไม่ไปคิดไปไม่ไปทําเรื่องอื่น จะทำแต่เรื่องอย่างเด็กสมัยนี้เด็กที่อยากจะเข้ามาหาลาัยดีๆจะมีแต่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะดูหนังสือเอย่างเดียวไม่คิดไปเที่ยวไม่คิดไปเล่นไปอะไรใจเขามีความตั้งใจที่แน่วแน่เรียกว่าจิตจิตจิตตะใจที่มีความแน่วแน่ต่อหน้าที่การงานของตนแล้วก็ข้อที่สี่วิมังษาเพื่อความคข้ควร ความคิดก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการเรียนอย่างเดียวจะไม่ไปคิดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องเล่นกันถ้าต้องการจะเรียนหนังสือให้ได้คะแนนดีๆได้เข้ามหาลัยดีๆต้องมีอิทธิบาทสี่มีความชอบฉันทะแปลว่าความชอบชอบเรียนวิริยะขยันเรียนจิตตะตั้งใจเรียนวิมังสาคิดแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่น ถ้ามีสี่ประการนี้แนละ้วก็จะสามารถเรียนได้ถึงด็อกเตอร์ได้ถึงเรียนระดับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกฮาวา a ออกฟอ o ์ดเคมบริดจ์นี่เรียนได้ถ้ามีอธิบาตสี่ถ้าอยากจะเป็นพระอาหารหันต์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีอธิบาตสี่ก็ต้องรักการบวชรักการปฏิบัติธรรมชอบบวชชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีความขยันที่จะปฏิบัติธรรม ใจก็จะแน่วแ น, วแนว่ตั้งใจอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมความคิดก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าอยู่กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่คิดถึงเรื่องอื่นไม่ทำเรื่องอื่นเดี๋ยวก็เป็นทาาาระอรหันได้นี่คืออิธิบาทสี่ไม่ว่าทางธรรมหรือทางโลกต้องมีอิธิบาทสี่ถึงจะทาในสิ่งที่เราอยากได้ให้มันสาเร็จรุ่รงได้อยากเป็นเศรษฐีก็ขยัน หาเงินชอบหาเงินขยันหาเงินไม่ชอบใช้เงินชอบเก็บเงินนี่นี่เรียกว่าขยันหาเงินใจนี้ตั้งแน่วแน่อยู่กับเรื่องหาเงินอย่างเดียวถ้าเรื่องอื่นก็ไม่ไปถ้าเรื่องต้องเสียเงินนี่ไม่ไปถ้าต้องไปเที่ยวไม่ไปเสียเงินเห็นไหมคนจีนี่ปีอย่างหยุดแค่สามวันนี้หยุดแค่ตุจจีนอย่างนี้เขาถึงรวยกันคนจีนมาเมืองไทยรวยกันคนไทยอยู่เมืองไทยกลับไม่รวยกัน คนไทยได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดพองเงินเดือนออกก็ไปเที่ยวกันละมันก็เลยต่างกันเศรษฐกิจในเมืองไทยในี่ใครคุมไว้อยูนะ่ไม่ใช่คนจีนนะพวกเจ้าสัวทั้งหลายนะพวกนี้เขามีอิทธิบาทสี่ในการหาเงินเขาชอบหาเงินเขาขยันหาเงินใจเขาตั้งใจจะหาเงินอย่างเดียวเขาไม่คิดเที่ยวคิดใช้เงินไปดูเศรษฐีพวกนี้เคยไปเที่ยวที่ไหนไห ไม่เคยหอกหาแต่หาเงินอย่างเดียวแล้วก็คิดแต่หาเงินคิดจะขยายเงินให้มันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ก็คืออิทธิบาทสี่แล้วไม่อะไรกันนะอินซีห้าค่ะอินรีห้าก็คืออพลังของใจใจเราจะมีกําลังมากน้อยก็อยู่ที่อินซีห้ามีศรัทธาวิริยะไครอ่า สติสมาธิปัญญาถ้าเป็นอินทรีย์ก็เป็นแบบว่าเป็นแบบธรรมดาอย่างพวกเรานี่มีอินทรีย์ห้ากันคือมีสติพอที่จะประครับประคองให้เราดำเนินชีวิตอย่างปกติได้มีสมาธิพอที่จะทำงานอพอที่จะทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านเป็นบ้าได้มีปัญญาพอรู้ผิดถูกดีชั่วได้ แต่ยังไม่มีพอที่จะไปทําให้ฆ่ากิเลสได้ต้องเปลี่ยนจากเอ็นซีมาเป็นพละห้าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนน้ามันรถยนต์เนี่ยถ้าเราใช้เก้าสิบเอ็ดมันก็มีกําลังสู้เก้าสิบห้าไม่ได้ก็อยากให้รถเรามีพลังมากก็ต้องเปลี่ยนน้ํามันจากเก้าสิบเอ็ดมาเป็นเก้าสิบห้าต้องเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้นเพิระวิทยะความขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้น เพิ่มสติให้มากขึ้นเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาให้มากขึ้นก็จะเป็นพละห้าที่จะสามารถทําให้่ากิเลสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ตอนนี้เรามีอินทรีย์ห้าไม่กําลังไม่พอถ้าเป็นรถใช้เก้าสิบเอก็ขึ้นเขาไม่ไหวถ้าอยากจะขึ้นเขาสูงๆก็ต้องเปลี่ยนน้ามันจากเก้าสิบเอ็ดมัเป็นเก้าสิบห้าแล้วรถมันจะมีกําลังมากขึ้น ก็จะสามารถทําให้ขึ้นเขาสูงๆได้คําถามจะคุยรุ่งเรืองค่ะเมื่อเรานั่งภาวนาจนเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราดูจนเวทนาสงบลงถือว่าใจยอมรับเวทนาหรือยังรับกระถานตัวเองเดูเรายังเรารับมันหรือไม่รับเรากลัวมันหรือไม่กลัวถ้ามันโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วเราอยู่กับมันได้หรือเปล่ายิ้มต้อนรับมันได้หรือเปล่ามาเลย เจ็บคราวนี้ยังน้อยคราวหน้าให้มันเจ็บมากกว่านี้เราต้องไม่กลัวไม่ต้องหวั่นไหวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายคำ ถ, ถามจากคุณฟานีค่ะดูจิตว่ามันคิดปรุงทั้งวันเห็นมันเกิดดับเกิดดับอยู่เนืองๆบางทีก็สลับกับดูลมหายใจทำตลอดเวลาขณะทำงานโลกและเวลาเข้าที่สงบพยายามปิดวาจาและนอนแค่วันละสี่ชั่วโมง ปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมคะยังไม่ถ้ายังไม่ได้สมาธิก็ยังไม่ถูกอะจิตต้องรวมเป็นสมาธิถึงจะถูกคําถามจะคุยน้ำฝลคําถามจะคุยน้ำผลค่ะหนูนับถือศาสนาอิสลามแต่ชอบมาฟังพระอาจารย์คําสอนของพระอาจารย์ผิดไหมคะผิดอะไรล่ะผิดศาสนาอ่ะอมาฟังคําสอนของศาสนาอื่นนี่แหละ ก็แล้วแต่ว่าศาสนาเขาห้ามหรือไม่ห้ามศาสนาถ้าศาสนาเขาห้ามก็ผิดศาสนาผิดคําสอนของศาสนาแต่ไม่ผิดหลักความเป็นจริงเพราะการเรียนรู้นี้ไม่ไม่เป็นโทษมีแต่ประโยชน์ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดเราอยากจะไปเรียนศาสนาอื่นเรียนได้อย่างสมัยมก่อนเราก็เรียนทุกศาสนาเลยล้วเปิดหนังสือหาค้นคว้าหาแต่ละศาสนาดูเพราะเราอยากจะรู้ว่าเขาสอนอะไร แล้วเราจะได้มาเปรียบเทียบดูว่าอันไหนมันถูกกัอันไหนมันผิดอะพอเราได้ศึกษาหศาสนามันมีอิสลามมีคริสต์มีจูเดียซึมมีคอนฟิวชนนิสึมของจือ้อของมีเตา๋าศาสนาเตา๋าศาสนาพุทธหกศาสนาใหญ่ของโลก อ่านไปอ่านมาแล้วก็ได้สรุปว่าอ๋อไม่มีอะไรดีเท่ากับศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี้ท้าพิสูจน์ให้เราพิสูจน์ได้ศาสนาอื่นนี้ให้เชื่ออย่างเดียวจริงไม่จริงไม่รู้ต้องให้เชื่อไปก่อนศาสนาพุทธบอกว่าของเราจริงแต่คุณไม่ต้องเชื่อคุณมาพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือไม่จริงทุกเกิดจากความอยากจริงหรือไม่จริงความทุกขดับเพราะตัดความอยากได้จริงหรือไม่จริง สิ่งที่ตัดความอยากได้คือศีลสมาธิปัญญานี้จริงหรือไม่จริงมาพิสูจน์ได้ก็เลยเลือกศาสนาพุทธเนี่ยคำถามจักคุณพลค่ะการที่ฝืนไม่ให้มีกิจกรรมทางเทศบ่อยๆทําให้กายจากความกําหนัดได้ไหมครับแต่ไม่ฝึกสมาธิค่ะก็ลองทำไปสิมาถามเราทำไมเ่ะคําถามจักคุณธัญรักษ์ค่ะ ดอกบัวเหล็กคือกระทะทองแดวในนรกใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันคํานถามจากคุณวันนี้ค่ะเจอเพื่อร่วม ง, งานเห็นแก่ตัวเอาเปรียดเราจะปรับตัวยังไงดีคะถึงจะท้นทุกข์ ค, ค่ะอ๋อก็เหมือนกับเราเห็นกองขยะเราทาไงเวลาเราเจอกองขยะเราก็เดินหนีไปถ้าอยู่ใกล้ก็ปิดจมูกนะคุณไปเปลี่ยนขยะให้เป็นของดีได้เปล่านี่ไหม ขยะก็เป็นขยะก็ปล <Instead, S 2> ่อยก็เป็นขยะไปคนไม่ดีก็ปล่อยก็ไม่ดีไปไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปวุ่นวายกับเขาเรื่องของเราคืออย่าทําใจให้เราวุ่นวายกับเขาลั่งคะคําถามจ้าคุณมัฐพลค่ะเวลาผมนั่งสมาธิพอจิตรวมก็เกิดอาการผลลุกทั้งร่างกายทําให้ตกใจสมาธิหายควรทํายังไงให้ไปต่อได้ครับก็พยายามฝึกสติให้มากๆขึ้น เวลาจิตรวมก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปมีปฏิกิริยากับกับการรวมของจิตให้รู้เฉยๆคำถามจาคุณชิติรัตน์ค่ะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะบททาสูตรธรรมจักกับปะวัฒนาสุดตังในความหมายปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยะสัจสี่ซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสอง เรียนถามรอบสามาการสิบสองหมายความว่ายอย่างไรเจ้าคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ว่ามันทุกข์เวลาใจเราทุกข์ก็รู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราแล้วถ้าอยากจะให้มันดับก็หยุดความอยากนั่นเสียไปนั่งสมาธิอยากกินเหล้าอยากเที่ยวอยากอะไรก็ไปนั่งสมาธิแทนนั่งสมาธิได้ใจสงบความทุกข์ก็จะหยุดไปหายไปคําถามจากคุณตุ้ยค่ะ ไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ต้องทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจะต้องทำยังไงครับจะซื้อกินอย่างเดียวคงไม่ไหวค่ะกินให้มันน้อยเลย <c oughs> กินกินผักกินอะไรแทนก็ได้ <c oughs> กินข้าวกินผักไปคำถามจากคุณพรพรประดาค่ะอันนี้จังทุกขังอนาตาเป็นหลักศาสนาพุทธแนวทางการปฏิบัติอย่างไรคะอยากให้ท่านอธิบายค่ะ อ๋น er, erm so so ี่จังทุกข์งอนัตตาไม่ได้เป็นแนวทางของพุทธมันเป็นความจริงของโลกความจริงที่มีในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงมันถึงเป็นทุกข์เพราะว่าเราอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นี่คือสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้พอเราอยากไปให้มันเที่ยงอยากให้มัน สั่งได้เราก็เลยทุกนี่เป็นความจริงของโลกที่เกี่ยวข้องกับใจของเราไม่ได้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นเพียงแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบความจริงอันนี้เท่านั้นเองแล้วก็เอามาสั่งสอนให้พวกที่พวกเราที่ไม่รู้ให้รู้กันว่าอย่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอย่าไปอยากควบคุมบังคับสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เช่นสามีเราลูกเรานี่ควบคุมบังคับเขาไม่ได้เวลาเขาอยากจะทำอะไรขึ้นมาเขาก็ทำของเขาไปตามภาษาของเขาถ้าเราไปอยากแล้วควบคุมไม่ได้เราก็จะทุกข์จะเสียใจเขาจะจากเราไปล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เขามันเป็นของไม่เที่ยงเขาเกิดแล้วเขาเดี๋ยวก็ต้องตายเขาก็ต้องมีการจากเราไปถ้าเรารู้ความจริงนี้เราจะได้ไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา อาจารย์นะนี่คือสิ่งที่พระเจ้านํามาสอนเพื่อเราได้พ้นทุกข์กันทุกวันนี้เราทุกข์เพราะทุกข์เพราะอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้เงินทองไม่เที่ยงอยากให้ของดีๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันจากเราไปส่วนของไม่ดีก็ไม่อยากให้มันมาเราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้ เราต้องรู้จักว่ามันเราต้องต้องหัดอยู่แบบไม่มีความอยากกับสิ่งเหล่านี้อยู่กับความจริงมันไม่เที่ยงก็อยู่กับมันไปสั่งมันไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือความจริงที่พระอาจารย์ได้ทรงค้นพบแล้วามาสั่งสอนก็ เ, นเลยเป็นเหมือนว่าเป็นของพระพุทธศาสนาไปเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ความรู้ว่านี้ ใครรู้ก็จะได้หลุดพ้นจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กันอ่าคําถามสุดท้ายคําถามจากคุณน้ําผลค่ะทําไมชีวิตนี้หนูเจอแต่คนเอาเปรียบคะพี่น้องเพื่อนฝูงบางครั้งก็เบื่อค่ะต้องทํายังไงดีคะอาจารยก่อนหนูคงไปเอาเปรียบคนอื่นเนอะอาจารนี้ก็เลยถูกก็เอาเปรียบ ก, นะก็ต่อไปนี้ก็อย่าเอาเปรียบสยิหัดเสียสละทําบุญทําทานดีกว่า ยอมเสียดีก็่อยากได้แล้วเราจะไม่ไปเอาเปรียบใครแล้วต่อไปเราจะไม่มีใครมาเอาเปรียบเราจะมีแต่คนจะให้เราเพราะเราให้อะไรเข้าไปเดี๋ยวเขาก็อยากจะให้กลับมาให้กับเรานี่คือกฎแห่งกรรมทํากรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา